มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อเหตุผลคืออัตธรรมตลอดถึงพระวินัยลวนแล้วแต่เป็นข้อบังคับเพื่อความเป็นพระโดยสมบูรณ์พระของมพุทธเจ้าคือพระสาวกอรหัตรหัน มีพิษกันพระของเราเองมีแต่กิเลสเต็มหัวใจความมีกิเลสเต็มหัวใจก็คือความมีพิษภัยอยู่ในตัวของเราเองจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นเสน่ย์จันไหลที่เรียกว่าเทวทั์ขึ้นกับตัวเองและระบาดสาดกระจายไปต่อผู้ใด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 ในเอียบททั้งสี่ของพระจึงจะอยู่แบบโลกสงสารทั้งหลายที่หากฎหาเกณฑ์หาความแน่นอนหาจุดหมายปลาทางไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ต้องให้มีกดเกณฑ์มีจุดมีหมายมีหลักอยู่ภายในตัวเสมอหลักธรรมชาติที่เป็นข้อยืนยันก็คือใจ ใจมีทำเป็นธรรมชาติที่รู้เสมอแต่รู้โดยความถูกผักดันจากสิ่งที่พาให้หลงไปเป็นประจำจึงหาความรู้อันแน่นอนเป็นสัตวเป็นจริงและเป็นสิ่งที่จะให้ความ อ, อบอุ่นตายใจไม่ได้แม้จะรู้ก็รู้ไปตามภาษีภาษาของซึ่งอยู่ใต้อำนาจของสิ่งผักดันให้เป็นไปนั่นแหละฉะนั้นนักบวชเราจึง ต้องพยายามเปลี่ยนความรู้สึกให้มีกฎมีเกณฑ์ด้วยความมีสตินี่แหละชื่อว่ามีกฎเกณฑ์เป็นความรู้สึกที่ที่แน่นอนแต่ยังผลอย่างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ด้วยความมีสติคือความมรึกรู้อยู่เสมอในผิดถูกดีชั่วประการใดที่แสดงออกไปจากใจ <c oughs> หากไม่มีสติแล้ว ความรู้นั้นก็ไม่มีความหมายที่จะให้เป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องความรู้ลอยๆไปเหมือนโลกทั้งหลายหรือความรู้ทั่วๆไปนั่นแหละของบุคคลที่ไม่เคยอบรมสั่งสอนหรือฝึกทรมานตนด้วยศีลโดยธรรมนักบวชเราเป็นอย่างนั้นแล้วเลวกว่าความเป็นของประชาชนและความรู้ใดๆเสียอีก เพราะเข้าก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้มีหลักเกณนความเป็นผู้มีสาระอันสำคัญคือทมแล้วต้องมีธรรมประจําใจมีเสมออย่างน้อยมีสติจะลึกรู้นี่คือสตินี้เป็นเครื่องทยุงความรู้ให้เด่นมาเป็นสาระสําหับตน ถ้าไม่มีสติความรู้นั้นก็เร่เร่อนรอนเราดูวิสิษฐเดือนมันคืบครานไปนั้นมันไม่มีความรู้อย่างไงมันมีแต่ความรู้สศเดือนเป็นยังไงมันมีความหมายอะไรบ้างใหม่นะเราดูสินั่นแหละความรู้ที่ไร้าสาระคือสติสาระปัญญาสาระก็เรียกว่าไร้าสาระธรรมนั่นเองความรู้นั้นไม่มีวิตติวิญ ญ, ญาณนี่เป็นธรรมชาติที่รู้ แต่รู้โดยความเป็นสามัญธรรมดาที่มีสิ่งไม่ดีครอบครอบครองหรือครอบคร้มอยู่จึงหาสาระอะไรไม่ได้นี่เรากล้าเข้ามาสู่ความเป็นนักบวชและประพฤติปฏิบัติจึงต้องทิ้งแพงเปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็นของตนให้เป็นไปตามอัดตำธรรมซึ่งจะเป็นสาระแก่นสารแก่ตนเดิมแบจบจนกระทั่งถึงเป็นหลักอันสําคัญภายในใ จ, ใจิตใจสติฮั่งด้ เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ั่ปัญญานอันดับต่อไปก็คือปัญญาความภาคเพียนก็เพียนด้วยความมีสติลำอันดับต่อไปก็เพียนด้วยความมีปัญญาเป็นเครื่องกากับเพียนไม่มีสติไม่เรียกว่าเพียนเพียนปราศจากปัญญาไม่เรียกว่าเพียนเพียนต้องมีสติเพียนต้องมีปัญญา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 นอกจากนั้นก็มีปัญญาเป็นคู่เทียมกันไปยึงจัดว่าเป็นผู้มีความเปลี่ยนความรู้เฉยๆไม่มีสติจำกัดก็มไม่ผิดอะไรกับความรู้ทั่วๆไปได้ผลไร้ประโยุกต์ความรู้ที่มีสติจึงเนี่ยว่าความรู้ที่มีความเพีย่ยนเช่นอย่างนั่งปวดเรา เขาให้ชื่อให้นามแม่ตนเองก็ยังรู้สึกว่าเป็นพระกรรมฐานดังที่โลกเขานิยมท่าชื่ อ, อนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างความเพียรของพวกเรานะั้นมาอยู่นี่หลายปีหลายเดือนบางองค์มีตั้งหลายหลายปีก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่สับปนกันไปนสาระแก่นสารที่ได้จากการอบรม เพราะการมาอยู่ที่นี่มีอะไรบ้างเป็นเครื่องหรือเป็นหลักใจนี่ความขาดสติความขาดความสนใจเป็นความจินชากายเป็นหน้าด้านไปสาระสำคัญที่ควรจะได้ไม่ได้ควรจะถึงไม่ถึงธรรมะของพระพุทธ เ, เจ้าเป็นของกิมีลิทธมีเดชควรจะ่การปราบปรามกิเลสให้สินส้นซาประจักษ์ใจได้ แต่ถ้ามาอยู่กับโมฆะพิกษุแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำก็สักแต่ว่าทำไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อต่อสิ่งที่เป็นฆาตศึกนอกจากสิ่งที่เป็นฆาตศึกนั้นแสดงพิษภัยได้อย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มอำนาจของตนเท่านั้นแล้วเราหวังพึ่งอะไรในการปฏิบัติของเราเมื่อเป็นดังที่กล่าวมานี้วันนี้ก็เป็นเช่นนี้ แล้ววันหน้าจะเป็นเช่นไรถ้าไม่ใช่เป็นไปตามนิสัยดังที่เคยเป็นอยู่นี้เท่านั้นเพราะนั้นเป็นแต่เพียงมืดกับแจ้งรักใหญ่เป็นอยู่กับตัวกับใจของเราที่เท่านั้นถ้าเราปึกนี้ไม่ได้แล้วกี่กับจิตกันตายทิ้งปเปล่าก็ไม่เกิดสาระอะไรขึ้นมาเลยแล้วอย่าคอยว่าจิต ด, ดวงนี้จะหลุดพ้นไปได้โดยหลับธรรมชาติทั้งมันเพราะความพอตัวในการอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ ถ้านานแสนนานแล้วจนอิ่มตัวเแล้วหลุดพ้นไปได้ด้วยความอิ่มตัวในสมมุติในจิเหลสนาอาสวะต่างหลายนี้แล้วอย่าไปหวังไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสว่าอย่างนั้นนอกจากจะทําให้กิเลสมันหวานคอมันลงไปเท่านั้นเคี่ยวลงเคียงมันก็ไม่หยากยอมลงให้ปล่อยให้สัพบให้ยำจนแหลกเลยลาบไป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 นอกจากเป็นความหน้าด้านขึ้นโดยลาดับลำดาหาความภาคเพียรไม่ได้เลยและมีความฝักไปใส่ใจต่อความชัวช่วช้าละโมกทั้งหลายเท่านั้นไม่มีความสนใจที่จะรังคับปฏิบัติตนเพื่อความต่อถอนกิเลสแล้วกิเลสตัวใดที่จะมีความเบื่อหน่ายต่อจิตดวงนี้เราก็ไม่เคยเห็นมันกันและจิตดวงนี้จะมีความเบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหาโดยไม่ต้อง ใช้ความพินิจพิจาราและชำระสัสางก็ไม่มีอีกเหมือนกันตัวเหตุ น, นี้ศาสนาจึงมีเพื่อชำระ ส, าสาักษางพระพุทธเจ้าจึงมีเช่นเดียวกับโรคโรคบางประเภทมันเกิดแล้วมันหายมันได้เช่นโรคหวัดเท่ามีมโรคแทกแต่ถ้านี่มันไม่ใช่โรคหวัดลระสิอือโรค ก, กิเลสตัณฐ์ใจเป็นโรคหวัดเมื่อไหร่มันโรคจะทําคนให้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารนี้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 ให้หลุดพ้นจากทุกข์เข้าสู่พรนิพพานกิเลสมุดทั้งโคดทั้งแท่ไม่เคยเห็นพรนิพพานมันจะจูงเราไปที่ไหนนอกจากจูงสัตว์ทั้งหลายลงในนรกจมไปจมมาอยูน่นี้เกิดในในพบนั้นพบนี้ซึ่งอยู่ในอำนาจของมันตลอดเวลาเท่านั้นจะไปไหนหาทางไปไม่ได้ฉะน้วเราจะหวังอะไรทุก ว, วันอะไรพิเศษเกิดมานี้กี่ปีกี่เดือนจนร่างมาได้มาบวชเป็นพระเราเห็นอันใดเป็นสิ่งที่วิเศษพิโส ยิ่งกว่าอัดกว่าทำมองไปสิมองไปไหนก็รูปรูปอะไรนั่นแน่ฟังเสียงเสียงอะไรมันมิเสียมิโสอะไรตาไครหูใครจมูกลิ้นกายของไข้ก็สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนใครได้รับความมิเสียมิโสกับสิ่งเหล่านี้พอที่จะตื่นฟุ่งเฟ้อเห่อเขิมหรือลืมเนื้อลืมตัวไปตามสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งไม่รู้จัก ยับยั้งชั่งหัวใจตนบ้างเลยว่ารายได้รายเสียเป็นยังไงการสัมปัดสัมพันธ์กับโลกธาตุสมมุติอันสมมุตินับแต่ขันของเราเป็นต้นไปถึงขันภายนอกสิ่งภายนอกนี่มานานแสนนานจนปันจนฝันนี้อะไรที่พอให้เราได้รับความวิเศษวิโสที่ยั่เกิดความรูดดื่มและเป็นสุขสมใจเราบ้างมีไหมเท่าที่ผ่านมานี้มีตั้งแต่สิ่งที่ใช่ผิดฝังผิดวังท่านั่น อะไรคว้าะอะไรมาก็หลุดมือคว้าะอะไรมาก็หลุดมือใครเป็นคนสมบังในโลกนี้ที่เกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลายดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีใครเป็นคนสมบังบ้างเห็นไหมถ้าเป็นสิ่งที่สมบังแล้วทำก็ไม่คว็นของวิเศษอะไรเลยโลกนี้อยู่ในนี้ก็พอพออยู่พอกินพอเป็นพอไปแล้วไม่จําเป็นจะต้องอสอดแสดงหน้าต่ซึ่งเป็นความสุขความเจริญและวิเศษวิสูจน์อันใดเลยโลกนี้ก็วิเศษพอแล้วเดี๋ยวนี้ที่เราว่า เราไม่มีความอิ่มพอก็เพราะเรื่องถูกหลอกตัางหากของเกล็ดที่มันอยู่ในหัวใจมันไม่ทําความอิ่มพอให้แก่ผู้ใดและใครก็ไม่มีความอิ่มพอในมันเพราะเราโงา่เราไม่ทันกลมายาข้องมันมันอยู่ปากข้อไม่ปากข้อข้อกับอะไรมันมันก็อยู่ที่ตรงปากตาแล้วนั้นนหละถ้าว่าปากนะปากตาปากหูน่ะอืม กิจคิดยับออกมาก็ออกแล้วจิเลสออกมาพร้อมแล้วนั่นหละปากคอกใหญ่คือจิจกิเลสมันอยู่ที่นั่นอะไรอะไรมันทำงานั้งหมดทำงานใช่หมดก้านออกมาใช่หมดเราไม่ไม่ทันมันเลยนี่นกลนของมันเป็นที่นั้นถ้าไม่ฝึกทำขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งกันแรสชาติของมันที่เคยเป็นที่เคยสัมผัสสัมผั์มาแล้ว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 เห็นเหตุเห็นผลกันไปโดยลําดับหากจิตหาความสงบต้มเย็นไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่จะรู้สึกตัวจะหลงตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าียาบทใดและหาสาระอะไรได้ไหมไม่มีจุดที่ที่หมายอะไรเลยอยู่ไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาอยู่อยู่ที่นี่ก็ใชจก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้และวันพรุ่งนี้ก็จะเหมือนกัน ในชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้ชาติหน้าเราตื่นอะไรเอาความวิเฯฯสวิโสมาจากอะไรจากชาติหน้าการเปลี่ยนแปลงในความเกิดแก่เก็บตายนีเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเราจะเอาความวิเษวิโสอะไรมาจากความเกิดความตายนี้ช า, ชาติทพ่บูลขาเชลราพิบูลขามานําพิบขงังท่านก็บอกไว้ชัดชอยู่แล้วมันวิเฯฯฯฯฯสวิโสอะไรอเรื่องการเกิดการตายเป็นความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกโดยทั่วไปไม่มี สัตว์ตัวใดที่รับความสุขความสบายเพราะความเกิดความตายนี่เลยเรายังเห็นความวิเศษวิโ์จากอะไรอีกที่ความเกิดความตายผิดให้เราเห็นอยู่นี้มันมีความวิเศษวิิสอันใดสติปัญญามีคิดเจปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อความคิดความรู้ความเห็นอันเป็นหลักใหญ่ที่จะแก้กิเลสอาสวะไปโดยลําดับกลำดับ วันหนึ่งวันหนึ่งหความหาจุดที่หมายไม่ได้เลยเสมอผู้ปฏิบัติหากการเจาะแสวงหาอัดหารรมมันไม่มีครูมีอาจารย์มีผู้คอยแนะนําสั่งสอนนั่นก็เป็นอีกสถานหนึ่งนะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะครูอาจารย์ผู้แนะนําสั่งสอนโดยอัดโดยทำเรื่องความถูกต้องแม่นยาำนี่เป็นของสําคัญมาก แค่เช่นเดียวกับหมอเถื่อนกับหมอที่โลกยอมรับนั่นแหละมันต่างกันหรือหมอเถื่อนกับหมอปณินยาต่างกันในในระยะหรือในสมัยนี้ก็ดูไม่บกพร่องครูบาอาจารย์ผู้แนะนําต่างสอนยกตัวอย่างตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาลงมาโดยเรื่องดับดาสําหรับตํานาเราก็ได้เห็น ถ้าจะเอาจริงเอาจังแล้วครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเราก็ได้ยินได้ฟังว่าเป็นที่แน่ใจแต่ตัวเราเองเป็นอย่างไรมันถึงไม่ได้เรื่องได้ลาวถ้าเป็นไปตามที่กัรฑ์สอนนั้นมันจะผิดไปไหนนอกจากไม่เอาไหนที่เท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องได้ลาว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 ในฐานหรือชาติชั้นวรนณะใดมีใ ห, ห, หม่ถ้าไม่มีทาเป็นเครื่องอบอุ่นอยู่ภายในจิตใจแล้วใทยจะหาหลักเกณฑ์ที่ไหนก็หาไปเถอะไม่มีหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้เพ่งอะไรธาตุีดินน้ำลมไฟหรือแร่ธาตุต่างๆมีอยู่ทมไปเหล่านี้พาใครให้พิเศษีิโสมีใหม่มันติดอันนี้ทางนั้นทางนั้นแหละทุกวันนี้ แล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดมาก็ติดอยู่อย่างานี้แล้วยิ่งผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาลอกกันไปที่ไหนมีแต่ผีหลอกลอกกันหมดไม่เราก็เอามาหลอกเราอีกไนะหนาของจริงไม่ได้มีแต่ของหลอกแล้เพลินมันไปเพลินมันไปเลยเป็นบ้ากันไปหมดทั้งชาวบ้านชาววัดวัตถุเป็นของสาคัญมากนะเดี๋ยวนี้ยิ่งออกหน้าออกตาอะไรเอ่ะแตอนนี้ขึ้นหน้าขึ้นตาออกหน้าออกตา ถ้าอะไรเป็นบ้าไปด้วยวัตถุนี่อยู่นะทําไม่มีความใจไม่สัมผัสน้ำพันทําพอที่ให้เกิดความก็หริ่์ยิ้มย่งมอยงในใจมีแต่เรื่องของโลกก็บืรตายไปอย่างนั้นมีแต่ความหิวความกระหายความโกรธความอายมีแต่ความหวังหวังหวังหวังไม่มีอะไรสนองความหวังนั่นเลยแลย้วเรายังไม่ไม่รู้หรือเรายังไม่คิดอยู่เลยเรายังไม่บวกลกคุณหารบ้างเหนือความเป็นใน ใ, นใจของเรามันเป็นอย่างนี้ ทำอย่างเข้าไปมากน้อยก็รู้เองนี่นะเตียงสมาธิความเท่านั้นก็เย็นใจแล้วเนี่ยแล้วปัญญายิ่งอย่างลงไปด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นความขาดไปแห่งอารมณ์หรือจิเรศทั้งหลายโดยลำดับลำดันี่ก็ได้เทศเต็มสติกำลังความสามารถแล้วกับหมูกับเพื่อนนี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผมนี่เป็นเวลาตั้งสามกว่าปีแล้วเรเทศเต็มเม็ดเต็มหน่ย เ่อยมาเต็มถ้ากีกำลังความสามารถแต่ผลที่จะปรากฏให้บ้างมันไม่ค่อยมีหรือไม่มีนี่เองทำไงสอนก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและไม่สงสัยในการสอนซะด้วยผมไม่สงสัยผมพูดโกงๆเพราะเจ้าของไม่สงสัยในเจ้าของทั้งเหตุที่ดำเนินมาแล้วผีดถูกประการใดก็ผ่านมาด้วยความมีเหตุมีผลเป็นความจดจำของเจ้าของเป็นครูเป็อาจารมาโดยลาดับทั้งผิดทั้งถูก ในการตะเกียกตะกายได้ดำเนินมาจนกระทั่งได้รับเสกสารว่าเป็นครูอจารย์ของหมู่ของคณะในทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยทั้งเหตุทั้งผลได้นำมาชีกแก้แจงแสดงบอกหมู่ผ้วนทุกแน่ทุกมุมเต็มกำลังความสามารถของตนมันก็น่าจะยึดได้นะแต่ทำไมยึดไม่ได้วิธีการ นักเบามากน้อยในการประกอบความพักเพลินหรือการต่อสู้กิเลสก็ได้เล่าให้ฟังหมดผู้ปฏิบัติต้องสังเกตจตลินิสัยของตนเจ้าวแต่ความสะดวกสบายเข้าไปไปว่าไปทํางานกับกิเลสความสะดวกสบายเป็นเรื่องของกิเลสเราเอาความสะดวกสบายไปสู้กิเลสได้ยังไงอืนอกจากนอนจมเท่านั้นกิเลสมันชอบสบายอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงปไปหิวโหยไปตลอด หาความอิ่มพอไม่ได้เรื่องก็ยังไม่เข็ดไม่หลัทํามีความอิ่มพอไม่อยากได้ไม่อยากสูญกายทำไงก็บอกแล้วแม้แต่ขั้นสมาธิก็มีความอิ่มพออิ่มตัวขณะที่จิตสงบตัวลงไปแล้วอิ่มนน ห, นหนักหังไงเห็นชัดเจนอิ่มอารมณ์ทั้งหลายไม่อยากยุ่งอยากอยู่มุ่นหายกับอะไรเออกนั้นก็กล้าทางเข้ า, ข า, ขาทางด้านปัญญาเอาจับลงไปที่ตรงไหนอันนี้จังทุกขัุงหน้าตา่างมันเป็นไฟอยู่ภายในกายในใจของเราเท่งนั้น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 ขาดออกหมดไม่มีอะไรเหลือมันก็รู้อยู่ที่ใจนี่ก็ธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่สดๆร้อนๆจะพึ่งผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ที่ใจของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นท่านก็บอกแล้วว่าปัดจังตะตังเวหนึ่งแล้วสารทิตโกหนึ่งบอกใครก็บอกผู้ปฏิบัตินั่นทำนี่ไกลยอยู่ที่ไหนมีใครที่ไหนหมีสูงมีต่ำที่ไหนมีอยู่ที่หัวใจออืมีว่าคือวันร้าสมัยที่ไหนมีที่หัวใจนี่เอาลงไปตรงนี้สิผู้ปฏิบัติ เหลไเวไหลไปเหลวไหลไปมาเขามากมาตับปนกันแล้วเลยยุ่งไปหมดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ไดู้อยู่เก่าก็เป็นอีแบบหนึ่งผู้อยู่ใหม่ก็เป็นอีแบบหนึ่งมาใหม่เป็นอีแบบหนึ่งและมี้งแต่แบบที่น่าทุเล็นั่นจะทำยังไงผู้ปกครอ ง, งเรื่องกิเลสมันออกได้ง่ายที่สุดนะก็บอกแล้ว มันเร็วที่สุดไม่มีอะไรเร็วเกินกินเลสก็บอกแล้วแล้วตามมันไม่ทันถ้าไม่ดูติดหัวใจตลอดเวลาตามไม่ทันเราจะไปตื่นแต่เงาคนะือมันออกไปวาดภาพอยู่ข้างนอกมันเป็นบ้ากับมันีนั้นหาความรู้ตัวไม่ได้แนหะ่ะนี่ถึงลำบากอยู่มากนะการปฏิบัติธรรมนี่นะมันจิตมันอยากอี่ด้วยสิ่งที่อยาก ความเพียนก็ต้องให้หนักมือนักหลักเรียนเป็นอย่างนั้นถ้าความเพลี่ยนไม่หนักมือก็ไม่สมเหมีตุสมผลนะกับสิ่งที่มันอยากซึ่งมันมีน้ำหนักมากกว่าความเพียนะความเพียนต้องในหนักนะต้องหาบายพลิกแพงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในเรื่องความาพากเปลี่ยนที่ยาบทต่างๆพลิกตัวอยู่เรื่อยๆไม่งั้นไม่ทันเราจะเอาแต่ว่าสักแต่ว่าทำแต่ว่าทำตามไม่ร่าเวลาอะไร หรือมีโครงการหนึ่งนั้นหนึ่งนี้ไม่เรื่องอต้องดูหัวใจเจ้าของไปหาโคงโคงโครงการมาจากไหนกิเลสมันไม่เห็นมีโครงการมันเป็นกิเลสตลอดเวลาทำงานอยู่บนหัวใจเราตลอดมา เ, เราทำงานอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพลี่ยนในหัวใจเราตลอดไปไม่ได้หรอมันทำไมจะทำไม่ได้กิเลสมันยังทำได้ทาทาไม่ได้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ได้ยังไง เมื่อพระพุทธเจ้าทําได้สาวกทําได้บริสุทธิ์ได้เราทำไมจะทําไม่ได้จะบริสุทธิ์ไม่ได้ละ่ะเอามาสอนเจ้าของสิสิ่งที่ท่านสอนไว้ล้วนแล้วแต่ท่านเป็นไปแล้วทั้งนั้นได้ผลมาหมดแล้วจึงได้นํามาสอนพวกเราอย่างท่านสอนว่าสมาธิปัญญานี่อันนี้ใ น, นหลักใหญ่ท่านได้ฝึกมาแล้วจนจิตเป็นสมาธิจิตพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิก่อนผู้อื่นผู้ใด ไปลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่มีสมาธิแล้วปัญญาพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนผู้ใดแล้วจะไปลบล้างได้ไงว่าศาสานานี้ไม่สอนคนให้ฉลาดไม่มีปัญญาอ่ะ <ś c oughs> มีมุดหลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนกายทั้งหมดแล้วจะลบล้างได้ไงว่าศาสานานี้ไม่มีมรรคผลนิพพานฮ <ś c oughs> <ś c oughs> ก็เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานในศาสนานี้แล้วย่วนเข้ามาหาตัวของเราขึ้นมาวิจิตร ก็เต็มปเปด่วมรรคผลนิพพานในตัวของเราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพุทธเจ้านี้เป็นไปไหนออขาดไปไหนไกลยื่ที่ไหนออคือที่ไหนล่าสมัยที่ไหนถ้าไม่ถูกต้มจากกิเลสเท่านั้นมันต้มมานานแล้วนานนะเหมือนอย่างเรื่องเกิดเรื่องตายก็เหมือนกันเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายล้วทุกดวงวิญญาณเป็นอย่างนี้ตลอดทั่วโลกดินแดนหาความบ้างจากความเกิดความตายของตัดไม่ได้เลยมันยังมันยังหลอกยังต้มสัตว์ทั้งหลายว่าตายแล้วสูญไล้วอิ่เห็นไหม แล้วเราโง่ขนาดไหนดูซิเรานี้มีตั้งแต่เรื่องเกิดมาทั้นั้นเต็มแผ่นดินอยู่นี้เต็มโลกเต็มสาวนี่เกิดมาจากความมีเอาความมีมาเกิดความชูนเอามาเกิดไม่ได้ฮมันเอาควา ม, มีอยู่มาเกิดถ้าสี่ดีน น, นํางเลยนา่งบนไฟไม่มีเอามาเกิดได้ยังไงน่ะใจมีใจไม่มีจะเป็นเชื่อพาใมันจะพาใท่องเที่ยวไร้ยังไงมันเชื่อจะเข้าไปอาศัยใจพาท่องเที่ยวได้ยัง ไ, นไ ง, ไงไนี่มันมีอยู่มีอยู่มีมอยู่ตลอดมานอยังหลงหลับหูหลับตาเชื่อมัน ตายแล้วสูญตายแล้วสูญดูสินะมันโง่ขนาดไหนมนุษย์ตัวเกิดก็เห็นอยู่ในตัวของเรานี้ในตัวนี้ไม่บกพร่องอะไรออกมาจากสําเร็จมาจากความเกิดอดินาน้ำล ม, มไฟปรากฏขึ้นมานี่เห็นไหมจิตที่รู้หรือกรู้อยู่นี่เห็นไหม้แล้วยิ่งได้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนานให้มันเห็นเป็นไปตามหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนจริงๆได้ด้วยแล้วหาที่สงสัยไม่ได้เลยนอกจากสลดสังเหตุกระเดิมองดับลมนาตอนนั้น อวิชชาปัญญาสร้างขารสร้างอาราปัญญาวิญญาณแหวละเอียดมากซึ้งมากทีเดียวจี้หัวกิเลสชัดๆๆๆเลยตัวกิเลสหัวกิเลสตัวที่พาให้เกิดตัวที่ทักจงกิตตวิญญาณลากิตตวิญญาณของสัตว์แต่ละดวงแต่ละดวงให้เกิดให้ตาให้เกิดให้ตาอยู่ตลอดทุกดวงวิญญาณอวิชชาปัญญานี้ก็เทือนหมดสามแดนโลกกับท่านก็เทือนอวิชชาปัญญาของจิตแต่ละดวงแตะดวงวิญญาณแต่ละดวงของสัตว์นี่มันชัดขนาดนั้นนะ เอาลงไปพิจารณาลงไปอวิชาปัญญาสั้งขาราถึงขั้นปัญญาแก่กล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่ทะลุไปหมดเลยนี่แหละผู้ทีเจ้าทรงรู้รู้อย่างนี้เองแต่ก่อนไม่ทรงรู้ไม่เห็นเพราะควาำยังมากกระจ่างแจ้งพอญานางอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชาวุตปาอโลโกตุปาได้กระจ่างขึ้นมาเท่านั้นแหละกิเลสทังไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลืยนั่นแหละที่นี่ทรงเอานี่แหละมาแสดงพระองค์ทรงเป็นก่อนแล้วจึงเน้นํามาแสดง ทั้งเรื่องของกิเลสทั้งเรื่องอวิชชาตันหาที่พาให้เกิดใช้ตายทั้งเรื่องวิมุตต์หลุดพ้นให้ท่านว่าในอวิชชานั่นแหละว่านิโรโทโหโตินะั่นอวิชชาอาวิชชาอาวิชชาตายาวเสีวเลาการิโรธาตั้งขาราโรโทเป็นต้นจนกระทั่งถึงนิโรโทโหตินั่นที่แรกอวิชชาปยาสร้างขาราเลือดไปก่อนจนสมุทัโยโหโติอันนี้เป็นเชื่ออันสําคัญที่สืบหน่อต่อขแขนงกันไปแล้วล้วนแล เอวเมตตสากีวราษฎรุขขั้นทัศน์สมุทรโยโหตินี่คือล้วนแล้วตั้งแต่สมุทัยทั้งนั้นนะที่กล่าวมาตั้งแต่ตนอวิชชาจกนกระทั่งถึงนี้ท่านความหมายว่าอย่างนั้นแปรออกมาท่านี้พออวิเชอวิชายตเวว่าเสสวิลการิโรธาสร้างคารานิร โ, ลโแล้วจนกระทั่งถึงเอวเมตสากีวราษฎรุขขั้นทัศน์นิโรโทโหตินีนน่ทั้งหมดนี้เป็นภาคนิโรดดาบเจดตันหาวิชาโดยสิ้นเชิงหนานะคือเอามาทั้ง ต้นเหตุพาให้สัตว์เกิดเอามาทั้งทั้งผลแห่งความดุด้นจากพิเจตโดยประการทั้งปวงมาแสดงให้พวกเราฟังอวิชาปัจยาสร้างขลางจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมีอยู่ในหัวใจของทุกดง น, นี่แหละแล้วทำไมมันจะสูญไปไหนเชื่อมันพาให้เกิดเห็นอยู่ชัดๆถ้าปฏิบัติให้เห็นแล้วปฏิเสธได้ยังไงก็จิตรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ของไม่มีรู้ได้ยังไงของไม่ไม่มีเห็นได้ยังไงนี่ มันปฏิบัติหลับตาเชื่อมอวิชชาจูงจมูกขาดไปมันก็เป็นอย่างนั้นสีมันยังจะถูกจูงจมูกไปอีกกี่กับกี่การก็รู้ว่าตายแล้วศูนย์แต่และศูนย์ตัวนั้นแหละตัวที่ถูกจูงไปที่ว่าศูนย์ศูนย์นั้มันไม่ได้ศูนย์นี่น่ะมจูงไปตลอดเกิดตายเกิดตายเกิดตายพบน้อยพบใหญ่ไม่มีสิ้นสุดได้เลยตั้งท่านหลักธรรมท่านกล่าวว้ว่าไม่มีต้นไม่มีปลายก็คืออวิชชาจูงสัตเรื่องของวิชชาไม่มีต้นไม่มีปลายท่านเทียบเหมือนมดแดงไตกรอบด้งจูงสัตว์ไปให้หลงลงันตอย ของเก่ามาแล้วกี่ครั้งกี่หนก็จําไม่ได้ไม่ลืมไปหมดไม่เห็นเหมือนจูงคนตาบอดนี่จูงไปไหนก็จูงไปเธอเออถ้าไม่บอกมันเท่านั้นมันจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นของเก่าของใหม่นะจูงไปไหนกี่ร้อยกี่พันครั้งของเก่านั้นมันก็ไม่มีทางรู้ได้คนตาบอดนะอันนี้กับมันกันหัวใจถ้าลงบอดด้วยอํานาจของอวมิชาปิดบงังแล้วมันก็เป็นทํานองเดียวกันมาเกิดกี่ภพกี่ชาติจีกับกี่กันของเก่าของใหม่ซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่รู้ กีหมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งที่ซ้าไปส้ำมามันก็ไม่รู้มันก็จําไม่ได้เพราะฉะนั้นมันกิเลสมันตึงครอบงงเอาอีกว่าตายแล้วศูนย์นั่นที่ไหนถ้าศูนแล้วกิเลสมันอยู่กับอะไรเมื่อจิตใจทุเรียนก็ศูนย์ไปแล้วกิเลสมันมีมันมีอํานาจมาแผ่พังพานอ ย, อย่างไงทุกวันนี้มันมาแผ่แล้วมีอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกได้ยังไงถ้าว่าจิตใจของสัตว์โลกก็ศูนแล้วกิเลสมันอยู่ได้กับอะไร มันถึงไม่ศูนย์ญนี่ก็ใจไม่ศูญกับกิเลสมันมัน ก, ก็อาศัยที่ใจไม่ศูญเช่นเดียวกับอสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กนั่นแหะที่ไม่มีเหล็กสนิมเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากเหล็กมันกัดเหล็กนั่นให้สึกให้กร่อนไปนั่นนี่กิเลสมันเกิดขึ้นจากใจมันทําลายใจให้เดือดร้อนวุ่นวายให้ทุกข์แต่ไม่คิดหายใจตรงนี้นะ่ะผิดกันตรงนี้เท่านั้นเองมันจูงสา จ, จุงอยู่อย่างนี้เอาปฏิบัติเข้าไปถ้าท่านท่านทลายอยากรู้อ่เอาที่ปัญญามี หลักที่จะค่าค่าเกเรจริงๆค่าอาวุธที่จะค่าเกยรจริงๆสติกับปัญญาสําคัญมากทีเดียวเป็นเยี่ยมฮะไม่ห่างจากนี้ไม่ได้เลยตาสจากนี้ไม่ได้สติกับปัญญานี้หมุนตัวเป็นเกี่ยวเป็นเดียวกันอย่างที่ท่านว่าภาวนาเมญปัญญาจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาไปจากภาวนามญปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนแล้วนี่พระเจ้าทรงรู้แล้วภาวนาภาวนามญปัญญาก็ทรงรู้แล้วมหสติมหาปัญญาก็ทรงเป็นมาแล้ววิมุตติหลุดพ้นก็ทรงเป็นมาแล้วอวิชชาปัญญาสร้างข้ารา พระองค์ก็เป็นนักเกิดเกิดเสตายมาแล้วอจนกระทั่งถึงสมุทัยโยโฮติพระองค์เป็นหมดแล้วแล้วทีนี้ย้อนกลับอีกว่าอวิชาสิ้นซากไปโดยลําดับลํำดับไม่มีอะไรเหลือเลยก็พระองค์ก็เป็นมาแล้วแล้วนําเรื่องนี้มาสอนพวกเรานําเรื่องความมีความเป็นความจริงนี้มาสอนไม่ได้นําความศูนย์มาสอนเราทําไมเราจึงไปเชื่อกิเลสว่าศูนย์ศูนย์ศูนยหมดนี่ละกองทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลๆนี่ตาย ก, กันอยู่เพราะความหลงกลมายาวของกิเลสไม่ได้ยอมฟังเสียงธรรมพระเจ้าที่เป็นของจริงนี่เลย แล้วเราก็ฟังหลายฟังให้ถึงใจสินี่พูดอย่างถึงใจนั้นนี่พูดนี่เคยโดนกันมาอยู่แล้วนี่เราสู้กับคนนี้มาพอแล้วไม่ใช่เอามาพูดอย่างเปล่าเป่ า, ปาไม่ว่าไม่ใช่บนําเรื่องพระเจ้ามาพูดอันนั้นเป็นหลักฐานอันใหญ่ที่พระเจ้าทรงเป็นมาแล้วแล้วหลักฐานอันใหญ่อีกสำคัญที่เป็นคู่เป็นพยานกันเรียกภาษาที่ดีกดเราต้องปฏิบัติสิให้มันรู้มันเห็นนั้นทีนี้พูดอย่างอาถรรพ์ไม่จะทกสถานเพราะเป็นความจริงอย่างนี้แล้วคอในคอนอนี่เราก็ เห็นดังพระพุทเจ้าท่านเป็นศาสตราพระองค์เดียวเท่านั้นสอนโลกเลยทั้งสามโลกทำไมจยิงสอนได้ทั้งสาโลกหล่ะคนอื่นใครสอนได้มีไหมือก็เพราะความรู้ความสามารถของพระองค์ที่เห็นประจักษ์พระไทยนั่นเองเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นี่หนาหนี่ไหน่ายน่าทำไมจะไม่อาจผานเห็นอยู่เนี่ยรู้อยู่นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนอกจากคนตาบอดไม่เห็นท่านตาดีท่านเห็นท่านที่ให้ดูที้ดูนี่เห็นไหมไหมเหมือนก็อยู่ในฝ่ามือนี่ดูที่ดูนี่อยู่ในฝ่ามือผู้ตาดีก็หยิบได้เห็นได้ตามท่านนั่งที่ว่า ปกติตนันอยู่วิปิวิปจิตันอยู่ในยะนี่พวกนี้รู้ได้เห็นได้เป็นลำดับนึพวกมีหูผีหูมีตารู้ตามพระองค์อืพวกปัททะประมะมันก็หมดท่าอ่ะยอมไม่ยินเลยลากจมูกไปหาดไปเรื่อยไปไม่ไม่มีสิ้นสุดเลยแต่ว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ลากพวกที่ตายแล้วสูญ น, นี่แหละให้ไปเ ป, เป็นทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาเพราะความจริงมันไม่ศูญเนี่นยนะพระเจ้าทรงรู้หมดแล้วในเรื่องเหลนี้อย่างที่ว่า ปัญญาปัญญาอย่างที่ผมพูดแต่กี้นี้เรายอมรับถึงขั้นมันเป็นของธรรมผู้ปฏิบัติตทําไมจะไม่เชื่อพรสะเจ้าสดสร้อนๆมันเป็นอยู่ในหัวใจเหล่านี้เป็นในหัวใจพระเจ้าฉันใดก็เป็ น, นหัวใจเราฉันนั้นไงถ้าเรื่องฆ่ากิเลสก็เหมือนกันถึงระยะที่สติปัญญามีพอตัวแล้วมันเป็นอย่างที่ว่านี่จริงจริยุ่ไหนก็อยู่เถอะในยบุตรตั้งสีจะไม่มีปัญหาในเลยมักกีนมาก ข, ข, ขวางกิเลสตัวใดปรากฏขึ้นมาพังพังหมด Uniform, ถ้ลงสติปัญญานี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วโดยหลักธรรมชาตโิโดยอัตโนมัติทั้ทงตัวเองเพราะ อ, อํานาจของสติปัญญาขั้นนี้มีพอแล้วเป็นเองไม่ต้องไม่ต้องมาฝึกมาอบรมนี่ขั้นขั้นเป็นเองเป็นอย่างนั้นขั้นที่ยังลม้มลูกคลุกคลานก็เหมือนอย่างเราตอนท่าน ท, นทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้แหละเอาเกือบเป็นเกือบต า, ายก็ให้มันเหยียบเอาเหยียบเอาอยู่นั่นนะเหมือนริง่งครอกขึ้นบนจมปลวกมาริ่งไปมันมันริ่งทับหัวเราต่อหน้าต่อตาเพราะเราไม่มีกําลังสามารถต้านทานมันไม่ได้นี่กิเลส ซึ่งเป็นเหมือนครอบก็เหมือนกันเวลาเมีย่งนานมากมันกิ่งทําเราอย่างนั้นเหมือนกันผมเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ามาคุยอวดหมู่เพื่อนนะผมพูดตามความจริงบางทีน้ําตาร่วงกัดฟันนะ่ะเมื่ อ, อไหร่กูจะได้เอามือสักทีนะ่ะถึงข น, นาดนั้นนะนี่แหละที่ที่ยกตัวอย่างเช่นอย่างเท้าที่ว่าจิตเสื่อมนั่นแหละนั่นได้เห็นไปจากตัวทีเดียวคิดเข้าได้บ้างไม่เข้าได้บัางแต่ก่อนเข้าได้สนิทสนิทสนิทเหมือนหินนะเวลามันเป็นนะ่ะจิตเป็นสมาธิแน่นเหมือนหิน สุดท้ายมันก็มาเสื่อมเพราะความไม่นอบคอบของตัวเองไม่รู้จักวิธีรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเน่เสื่อมไปแล้วต้องปีมันเข้ามันขึ้นไม่ได้มันกลับตัวไม่ได้เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงมีแต่เครียดแต่แค้นเหมือนกับว่าสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเองเครียดก็เครียดแค้นก็แค้นแคนให้สือแค่เครียดแค่ไหนให้เสือแต่เวลาสู้สู้กันไม่ได้เรามีกำปั้นมันมีเล็บมีมีเครียดมันกัดเอากัดเอาตะปบเอาเลือดสาดเลือดสาดเรามีแต่กำปั้นสู้กัไม่ได้ แต่แขนเทียบแชนนี่พอขึ้นหัวมันได้แล้วเอาเลยเอาอยู่นะที่นี้เทียบเข้าอีกเป็นก็ประมาหนึ่งเหมือนกับทางเมื่อขึ้นตะพอมมาแล้วขอกระหน่ำมันลงไปเลยเร <c oughs> วจรึงได้เชื่อเรื่องพระโคติกัดท่านเจริญชานมาถึงห้าขนหกขนเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญหรือขั้งที่ขั้งที่หกดวงนั่นนะถ้าจำไม่ผิดะแต่ห้านี่แน่แล้วขั้งที่หกผมยังมีสงสัยอยู่ มีพระโคติกัดนั้นเนี่ยมีในประวัติในธรรมบทซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนของประเดียนสามประโยคน์นั่ะพระโคติกัดนี่ถ้านท่านเจริญสมาธิสมบัติเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึงห้าหนจนกระทั่งถึงจะห้าตัวตายนั่นพิจารณาดิเราไม่ต้องเอาไปมากกว่านั้น่เราบอกจนถึงจะห้าตัวตายนี่ก็ถึงจุดอันสมบูรณ์แล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ เวลามั น, ม, นมันเสื่อมลงไปนี่ความเครียดความแค้นนี่แห่ทุกนี่ทุกแสนสาหัสไม่มีอะไรทุกยิ่งกว่าในหัวใจแล้วนะไม่มีอะไรทุกยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมแต่ก่อนไม่ได้สมาธิไม่เป็นจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เทียบกันหน้ากับคนที่เขาหาเช้าจินเย็นนั่นเนี่ยเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขาจะเอาอะไรมาเสียใจเพราะความนุม่มจมของเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านหรอ เขาหาชาวเยน็นเข้าสบายกว่าคนมีเงินแสนเงินล้านที่ร่มจมไปด้วยเหตุการณ์เหตุการณ์อะไรหนึง่งนั่นผู้นั้นจะร้อนมากที่สุดนี่ก็เหมือนกันคนที่ไม่เคยเจอสมาธิก็จะอะไรมาเดือดร้อนนี่เคยเจอเคยเป็นมาแล้วเวลาจิตเสื่อมนี่แหม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้แต่มีอย่างหนึ่งที่น่าชมอยู่คือแไม่ถอยเอาใช้ได้เอาเครียดแทนเครียดแทนเพื่อสู้จนกระทั่งถึงเอจิตได้เข้าสู่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 แตัดสินใจกับตัวเองเรียกว่าทําความเข้าใจกับเราว่าถ้าจิตของเราได้เสื่อมคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นูน่นนะฟังสินี่แหละทาให้เชื่อพระโคตที่กัดนะมันจะตายแนๆ่ๆไม่ทราบว่ามันจะตายด้วยแบบไหนผมก็ไม่รู้นะแต่มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าลงได้เสื่อมคราวนี้เพราะฉะนั้นเวลาจิตได้ข้าวขึ้นเข้าสู่ความปกติของมันมันไม่เสื่อมแล้วจึงเอากันใหญ่เลยที่นี่ขั้นนาใหญ่เลยจะเป็นจะตายก็อ้าตายแต่จิตที่เสื่อมไม่ได้เสื่อมไม่ได้มันก็เหมือนกับ น, นักโทษคารุโทษนะ ผู้ต้องหากรุโทษถูกบังคับบีบกันตลอดเวลาจิตมันจะคิดไปไหนทีนี้เวลานั่งได้ตลอดหามลูกหามข้ามกอเพราะอันนี้เองพาให้ผมเป็นไปได้นะนั่งหามลูกหามข้ามตลอดลุ่งตลอดลุ่งตลอดลุ้งมาลุ้งกี่คืนกี่คืนจะไม่ได้ติดกันดังที่เคยเล่าให้ฟังนั้นนะ่ะนี่เพราะความเครียดแค้นเครียดแค้นในทางธรรมเป็นอะไรไปอเออเครียดแค้นทางโลกเป็นกิเลสเครี ย, รยรดแค้นโดยธรรมเป็นธรรมไม่งั้นไม่ทันกิเลสกําลังของจิตด้านธรรมะไม่มีสู้กิเลสไม่ได้ กิเลสมีกำลังธรรมะไม่มีกําลังสู้กันไม่ได้ความเบียดแค้นต้องกลียดมาแบบหนึ่งความเบียดแค้นของธรรมเป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อฆ่ากิเลสมันแก้กันอย่างนี้เทียงว่ามากแก้ฆ่าสมูทไถยแก้สมูทไถยล้างแผลลา ง, ลางสมูทไถยเป็นอย่างนี้ธรรมะแก้กิเลสแก้อย่างนี้ให้ท่านต่างหลายเข้าใจน่ะนี่นี่พูดด้วยความแน่ใจทีเดียวไม่ไดมีความสงสัยในการปฏิบัติตัวเองเพราะได้ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงเวลากิตมีกําลังเอากันอย่างขนาดนั้นนะ่ะนั่งจนก้นพองเลยว่าไง พองกับของมันไม่ได้สนใจนี่นะรจะว่าไรฟาดกันเ่อสนความฉลาดแหลมคมในขณะที่มันจนกรอบจนมุมมันจะเป็นจะตายจริงๆมันไม่มีทางออกมันช่วยตัวเองก็เห็นชัดๆโอ้โหคนเรานี่มันไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะน่ะมันก็รู้ในเวลานั้นเองถึงคาจนกรอกจนมุมแล้วมันช่วยตัวเองได้น่ะเพราะเราก็ได้ช่วยตัวเองอย่างนั้นจริงๆไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ของสติปัญญาที่มันจะ ได้อย่างรวดเร็วหมุนตัวเป็นเกลียวไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้นเราก็ไม่เคยเห็นเห็นนี่แล้วได้เห็นไปแล้วจิตที่ถูกสติปัญญาหว่านล้อมรักษาไว้อย่างด้วยดีลงถึงขั้นอสสัศจรรย์ก็ได้เห็นแล้วในเวลาที่นั่งตลอดลุ่มลั่งตลอดลุ่ ง, ง, งนั้นได้เห็นชัดเจนชัดเจนชัดเจนมาโดยดับนั่นเป็นเครื่องฝังใจฝังใจนี่พูดถึงเรื่องความเยึดแขนให้กิเลสเป็นอย่างนั้นนะเพราะก็หลังจากนั้นไปแล้วก็เป็นทางด้านตา่าง เอาที่นี้ปัญญาอันนี้ไม่ต้องได้บังคับถึงขนาดนั้นละทีน่นะอันนี้เป็นปัญญาปเภศหนึ่งที่ไดอเอาอยัางผาดโผนนี่ไในคิดตของเราก็ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไปแล้วในตัวของเราเองแตนี้พอถึงขั้นที่สติปัญญากล้าเป็นน้าซับน้ําซึมหรือเป็นน้ำไหลหลินหรือโจรออกมาจากภูเขามันก็เห็นแล้วไม่มีเวลาเวลาเอาที่นี่นี่ละที่ว่ากิเลสอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่ก้าวแล้วก้าวเดินแล้วสติปัญญาก้าวเดินแล้วทีนี้เรียกว่ากองทัพทม สติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมอุตสาหสธรรมทุกอย่าง ก, กลมกลืนเป็นเรียวๆกันแล้วอพุ่งพุ่งพุ่งเลยนี่ใชเรียวภาวนามยปัญญาหนุนกันไปหนุนกันไปจนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาหลังจากตื่นขึ้นมาจกนกระทั่งถึงหลับขนาดไหนว่าจิตนี้ได้เผลอไปมีไหมไม่มีนั่นทั้งสิ่ไม่มีไม่มีไม่ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มนีนั่นถึงขันเป็นงนเทนี้กิดเดสตัวไหนมันจะโผล่หน้ามา มีแต่ค้นหากิเลสโดยทายเดียวที่จะให้กลัวกิเลสนั้นเกิดกิเลสขึ้นไม่มีมิเตอให้ให้เจอให้เจอเจอตัวไหนพังเลยเจอตัวไหนพังเลยแล้วกระทั่นมันไม่มีอะไรเหลือพานาจัยมันก็รู้นี่ว่าไงเอาจนกระทั่งถึงมันลอบหมดไม่มีอะไรเหลือเลยขาดสะบั้นไปหมดระหว่างกิตกับโลกกธาตุที่มันเคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจนกระทั่งแกะไม่ออกหรือค้นหาไม่เจอว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสิ่งเกี่ยวข้องจนกระทั่งไม่เจอเลยมันก็จะเอือนี่ว่าไงขาดสะบั้นจากการเห็นชัดเจนแล้วมันไม่เชื่อพระเจ้าจะเชื่อใคร ใครเป็นคนสอนไม่ทำเหล่านี้ใครเป็นคนรู้มาก่อนแล้ว ท, ท่าไม่ใช่บริเจ้านี่เรารู้จักใครจากคําสอนบริเจ้าแน่ทําไมมันจะไม่ยอมรับบริเจ้าภาษาบอกละหานทั้งหลายแล้วไกลที่ไหนบริเจ้ากับสาวกทั้งหลายไกลที่ไหนมันอยู่ในความจริงสัจธรรมนี้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วเวลานี้สัจธรรมมีไหมพวกเราหรือพวกพระปลอมเหรอไม่มีหรือสัจธรรมทุกข์คืออะไรมีไหมบีบไหมหัวใจเราเอาหัวใจไม่ต้องออกมาร่างกายอสมุทัยเป็นยังไงมันดิ้นโดนอะไรบ้างเดี๋ยวนี้สมุทัยมีไหมชาติปัญญายอยู่ที่ไหนเอามาแก้กันที่ฟาดะลงไปมันแหลงไป นี่สัจะทําอยู่ที่ตรงนี้ละตรงที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมพระสงฆ์เชื่อธรรมตั้งหลายจะเชื่อที่ตรงนี้ถ้าจะทําเป็นที่ผิดความวิเศษขึ้นมาพระพุทธเจ้าพิเศษขึ้นด้วยอํานาจแห่งอริยสัจสีสาวกอรหันต์อรหันต์ตั้งไหนพิเศษด้วยจากอริยสัจเป็นเรื่องผิดเนี่ยเอาลงไปที่มันจะรู้เองไม่ต้องถามใครหละเห็นอย่างชัดเจนภายในตัวของเราสงสยัยอะไรนี่ถึงขั้นที่รู้มันรู้จริงๆอย่างนั้นจะว่างไงาศานยังไม่กล้าพูดว่ า, าศาสนาที่สดสดร้อนๆ น, น, นะ ถ้าสดน้อนๆนะไม่มีคามําว่าน้นว่านี้ว่าใกล้ว่าไกลนะอยู่ที่ในวงปัจจุบันคือสัจธรรมในหัวใจของเรานี่โดยเฉพาะเอาลงไปให้มันรู้สิมันรู้ซะหมดแล้วแล้วที่นี่มาเทียบเรื่องหัวใจที่มีกิเลสมาตั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนๆก็ตามจกนกระทั่งถึงวาระที่กิเลสได้พังออกจากใจแล้วมันต่างกันยังไงใจตรงนี้นะ่ะแต่ก่อนใจตรงนี้เองนะมันเป็นยังไงบัดนี้ใจตรงนี้เองเป็นยังไงมันไม่ได้ต้องไปถามใครลนะ สาธุพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี่ก็ตามไม่ทูลถามถามพระองค์ทําไมเ อ, อความจริงพระองค์สอนได้หมดทุกสินทุกอย่างแล้วสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าบกพ่องที่ไหนการสอนสัจโรกน่ะถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้บกพ่องเองนั่นมันก็ลงตรงนั้นเถอะจะไปไหนวะนี้มันโมโหนะั่นนี่ก็ดียังไม่ทราบเป็นโมโหนี่เป็นกี่เดีด้วยเป็นก็ไม่ทราบไอสอนหมู่ส อ, อสอนเพื่อนมาสอนมาแทบล้มแทบตายมันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยสงที่ไม่พึงปรารถนามันจะแสดงออกมาในสังคมของพระวรรดาบรรดเนี่ย มันเป็นอย่างไงสิ้งที่พึงปรารถนาที่สอนแคบล้มจะตายทําไมไม่ปรากฏมันเป็นอะไรไอ้ทิ้งนี่พึงปรารถนามันแสดงมาหาอะไรเวลานี้มันเป็นจะเป็นงั้นเลยนะโอกจะแตกเลยการสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนไม่ได้สงสัยนี่นะ่ะใครจะว่ามา ก, ก็ตามเธอะเราอาหาญเต็มที่ในการสอนสอนหมู่สอนเพื่อนว่าเราได้สอนเต็มภูมิแม่ได้มีรายละเอียดไม่เลยแล้วทำไมเหตุผลเวลาผลมันแสดงมามันจึงมมันต้องไม่ปรากฏ ในสิ่งที่เราพึงหวังตามที่เราสอนมันมักจะแสดงเป็นเรื่องของกิเลสออกสนามมาทั้งนั้นออกแนวลบมาคือมาขึ้นเวทีต่อหน้าต่อตาให้เห็นต่ำหูต่ำตาเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะไม่กากเลือดออกแล้วเหลือผู้สอนนั่นนะ่ะท่านทนายไม่ได้คิดบ้างเหรอครื่นี้นะ่ะสอนก็หมดภูมนะิผมสอนหมูสอนเพื่อนเพราะอยากพูดให้มันถึงลงไปอีกเนี่ย น, นะไม่เวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มันม่นมาแลนภาพกระเทือนไปหมดบ้ายังไง สำหรับผู้ปฏิบัติต่ออัดต่อทำเพื่อความสัตย์ความจริงสําหรับผมนี่เหมือนกับโลกธาตุถล่มทีเดียวละอือเพราะขาดที่พึ่งผู้จะคอยแน่คอยบอกตลอดเวลาเพราะจิต ด, ดวงนี้ไม่ฟังใครเมื่อถึงขั้นหัวเรียวหัวต่อแล้วมีท่านอาจารย์มั่นองเดียวที่เท่านั้นอือพอกาบเรียนภาพท่านใส่ทีเดียวพังึขาดตะบันไปเลยนี่ทําไมจะไม่จะไม่หวังพึ่งท่านลงเห็นผลประจักษ์ใจอยู่ขนาด น, นั้นแล้วนี่ก็อยากจะให้หมู่เพื่อนได้เห็นเป็นยังไงไงมาอแล้วกล้าที่จะสอนได้ เต็มกาลังความสามารถของเราอ <ừ. S 1> เพราะเร า, เร า, เรามันเราไม่สงสายใ น, ในการปฏิบัติมาตลอดถึงผลสอนหมูเพื่อนสอนด้วยความแน่ใจเราอยากพบอยากเห็นผลของหนูเพื่อนที่ปฏิบัติมาเป็นยังไงถ้าจะสอนไม่ได้จริงก็ให้มันรููอรู้สิว่าเรานี่บทภูมิสอนไม่ได้โอ้ลูกศิษย์นี่ภูมิเก่งกว่าเราวะเราสอนไม่ได้ให้เรารู้เด็กเดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นนี่น่ะมันเห็นแต่เก่งเด็กของไม่เป็นท่าสิไอ้ทั้งนั้นของไม่เป็นท่าแลมันเก่ง ไอสิ่งที่เป็นท่าสิ่งที่เรามุ่งหมายที่อยากให้เป็นมันไม่เห็นมันไม่เก่งกครูเนี่ยเราอยากให้มันเก่งตรงนี้นะเร า, ใ ห, เราให้เราเลยยอมรับว่าโอ๋อหมดแล้วหมดภูมแล้วสอนไม่ได้แล้วอืมนี่เก่งมากแล้วเลยขูแล้วมันไม่เห็นนี่เป็นยังไงกองมหาสมบัติถ้าจะเทียบแล้วก็จะมีอะไรเท่ากองมหาสมบัติที่อยู่ในใจทำไมถึงถูกมุดถูกพูดคือกิเลสมันครอบเอาไว้หมดไม่มองดูมองไม่เห็นเลยนี่ที่มัน มันแตกออกมากถ้าพรเจ้ประกาศบ้างๆหงลงตรงนั้นลงตรงนั้นเพื่อให้พังลงไปแก้พังลงไปพังลงไปสิ่งที่มันจอมปอมันปกคลุ ม, ม, มุันห่อหนั่นแ่ะมันเราจะเห็นทองตั้งแท่งอยงู่นั้นน่ะเนี่ถ้าเทียบบุมาเป็นอย่างนั้นอยู่นี่น่ะอยู่นี่น่ะที่ลงที่ลงตรงหัวใจไม่ขี้ไปไหนนะศัจะทําแท้อยู่ที่ใจกายเหล่านี้เป็นเป็นสัจธรรมนอกอันหนึ่งเป็นเครื่องประกอบเช่นยังช้าปีตุคาชราปีตุคานี่นี่เป็นศัจธรรมกายมันเกี่ยวโยงกัน แล้วสุดท้ายก็ครงประหังกิตั้งที่ว่าอวิชชาปัญญานั่นแหะ ต, ตัวตัวสัจธรรมเอกอริยสัจสี่เอกสอมุทรรมออัยชั้นเอกนั่นแ่ะคืออวิชชาปัจญาคมันครอบจิตยอยู่โดยเฉพาะนั่นแหะนั่นเรียกว่าอริยสัจชั้นเอกเหรอน่ะเยี่ยมอยู่ในนั้นเนี่ะยอดยอดกษัตริย์วัตจักรอยู่ตรงนั้นอสติปัญญาถ้าไม่ถึงขั้นที่ควรจะพังจะทำลายได้จะไม่เห็นจะไม่ได้ทําลาย เมื่อถึงขั้นแล้วเอาไว้ไม่อยู่พังหมดฮ ะ, ฮะการแสดงธรรมก็เห็นไม่สมควรอะไรแล้วอนี้เหนื่อยเหนอยผมอยากให้รู้เห็นจริงนะเพราะฉะนั้นสอนเต็มเมด็ดเต็มหน่วยสอนด้วยกำลังของใจจริงสอนด้วยกําลังเมตตาสงสารจริงไม่สอนเพื่ออะไรหามองหาอะไรไม่เจอไม่เห็นใจของเราสอนหมู่สอนคณนะเพื่ออะไรๆผมมองหาเห็นนอกจากเพื่อหัวใจหมู่คนณะเพื่อเพื่อทำอย่างเดียวเท่านั้น ก็สอนด้วยกำลังใจด้วยเนะ่อยไม่ได้สอนธรรมดาสักแต่ว่าสอนผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีพลังในความเมตตาออกมาจากความเมตตาทุ่งสังมันเป็นพลังให้สอนอยากให้รู้อยากให้เห็นพอของที่จุคนรู้คนเห็นมีอยู่กับเราแท้ๆนี่นานี่แหละที่มันโมโหนะ่ะเวลามั น, น, านานมากผมไม่ดืมนะไม่ทราผมเป็นคนจริงจังมาก มันมันจริงมากมีแสาเราจริงจังเวลามสู้ที่เด๋ยไม่ได้นี่น้ำตาพังเครียดแค้นนะ่ะขนาดนั้นนะมีผมมีมามียิ่งกว่ามีอืมแต่มันสาคัญที่อันหนึ่งที่ว่ามันไม่ยอมถอย น, นะเครียดแค้นนั้นเอามาเป็นกําลังใจจะเอามันให้ได้นีน่มันเครียดแค้นอย่างนั้นนะ่ะไม่จะรัย้นอย่างที่ถอยนะพอมนถึงขั้นของมันนาะมีร่างมาอยู่เลยนะ มันเวลาทําอํานาจของธรรมมันมีแล้วธรรมมีกําลังแล้วธรรมเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับกิเลสมันเป็นตัวของมันนี่ยกระดิกมาแพ๊บจับหัวใจนี่เป็นเป็ น, น ก, กเนิเลสทั้งน้ำทั้งน้ำทั้งนั้นนะถ้าไม่มีสติดูดูไม่รู้นะนันกระดิกออกมาในความคิดความปรุงเรื่องอะไรๆนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยเหมือนวัวปากคลอกมันไหลออกไหลออกอยู่อยู่ปากคอกกิเลสทั้งนั้นไหลออก แล้วเที่ยวหากินพ้วนเปี้ยนพ้วนเปี้ย น, นเพืน่นพ่านเพื่นพ่านนี่เวลามันเนียมหน้ากิเดลสมีหน้าเป็นอย่างนั้นอล <c oughs> ้นี้พอทำมีหน้ามันก็แบบเดียวกันนี่ก็าทำออกทำออกทำออ ก, ออกได้เห็นได้ยินก็ตามไม่ได้เห็นได้ยินไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเหตุเป็นผลกระสางก็ตามไปแล้วเรื่องหัวใจนี้เพราะมันอะไรมันก็มีอยู่ในนี้แล้วมันขึ้นมันเองมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลของมัน อทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้ก็เหมือนกับว่าชุนละมุนหรือตรุมบอนตรุนบอลเราจะหาเหตุทาผลไม่ได้เวลาตรุมบอนกันอันนี้ระหว่างกิเลสกับทําเมื่อเราธรรมีกําลังแล้วก็หาเหตุทาผลไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องข่ากิเลสด้วยเหตุผลกลไกลอะไรหาเหตุทาผลไม่ได้คือเราไม่หานี่มันหมุนต้องมันติ่วติ่วติ่อยู่นั้นเลยอยู่นี้ไหนกิเลสมันก็พังอยู่นี่กิเลสมันก็พัง ในกิเลอยู่ที่ไหนปัญญาก็เกิดปัญญาก็เกิดอยู่นั้นตลอดตลอดตลอดตลอดเลยนี่ถึงขั้นเป็นเป็นในขนาดนั้นนะผมถึงได้ยอมวิชาโอ้โหเป็นอย่างนี้โอ้หนี่เึงเึิ่งเป็นเรื่องวิชาธรรมประเภทนี้ถึงเป็นวิชาธรรมข้ากิรเยสนั่นมันลงความจําได้มายรู้สาธุเราไม่ได้ประมาทนะมันเป็นเพียงเป็นปากเป็นทางเตอะนั้นเอาจริงจังมันมาได้ น, นะค ว, ความจดความจํามาแ ต, แต่เราไม่ได้ประมาทว่าไม่ เ, เกิดประโยชน์นะอือเป็นปากเป็นทาง เราเวลามันจะเป็นตัวจริงจริงๆเป็นองค์สัจธรรมจริงๆคือปัญญาจริงๆสักติจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งมาอยู่ที่ไหนก็เกิดอยู่ที่ไหนก็เป็นเป็นนี้ตลอดเป็นร่ำเวลาไม่ได้คิดให้เป็นก็เป็นตั้งใจไม่ตั้งใจก็เป็นจนถึงขนาดที่ว่าลั่งเอาไว้ฟังที่ลั่งเอาไว้คือมันเทินในงานในการค่ากิเลสในการขุดค้นค้นหากิเดส นั่นเป็นงานของจิตรังก็คือว่าให้เข้าสู่สมาธิสงบพักเอากำลังนั่นนะคุณงานพอจิตออกจากที่สงบแล้วมันก็มีกำลังพอพ อ, ออกจากที่สงบปั๊บมันจพุ่งเลยนะพุ่งพุ่ ง, งบางทีไม่คิดผมก็ไม่ลืมเนื่งอย่างนี้เลยจะให้เวลามันเหนื่อย สติ ป, ปัญญาทํางานมันเหนื่อยอ่อนไปหมดน่ะอ่อนอยู่ภายในนี่มันไม่ถอยสิกําลังใจหมีไม่ถอยนีมันถึงต้องได้คิดถึงได้คิดก็ได้คิดว่านี่เมื่อไหรน่นะมันถึงจะหยุดที่เรามันย้อนหลังคิดไปย้อนหลังไปที่เราคาดความคาดกับความจริงมันต่างกัน ความาดกันเองเราคาดกันเองว้าแต่ก่อนว่าการบําเพ็ญเพียรเนี่ยพอกินแล้วอย่าก็ทลายแล้วความเราความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปแล้วก็ค่อยสบายไปสบายไปเรื่อยเรื่อยแล้วคิดเป็นอย่างนั้นนี่เราคาดเอาไว้แล้วความจริงมันไม้เป็นอย่างนั้นเวลาสมาธ์สมาธิเช่นเหมือนจิตเป็นสมาธิก็สบายอย่งนอ้นอนเหมือนหมูสิคากิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้พรอออกทางนั่นปัญญาออกวันไหนมิแต่ออกคาดกิเลสนั่น อันมันก็เพลินไปเพราเพลินแล้วันก็ปลายใหญ่เหนื่อยเครียดเนยทำงานแล้วก็เอ้เมื่อไหร่มันจะได้หยุดสักทีนี่คือว่าแต่ก่อนน้อมันจะสบายปสบายไปมันมันไม่กลับมันกลับวนข้ามไม่ได้แต่อย่างนั้นกัความจริงเล้วคือการต่อสู้มันจะเป็นความสบายเมื่อไหร่เออเหมือนกันน้องมวยต่อยกันระหว่างทำสติธรรมปัญญาธรรมกับพิเดียรฟัดกันก็เหมือนกันก็เหมือนเอาความ ถูกมาจากไหนมันก็ที่นี่มันอดทีวิตไม่ได้ที่ว่าอ้าวที่เราคิดว่านะจิตมีความละเอียดล่อไปเท่าไหร่ความเพียรก็ไปจะละเอียดไปละเอียกไปความสูงก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยที่นี่มันว่าแนะตำหนิเจ้าของหรือตำหรือตำหนอันนั้นว่าเราคาดไว้นั้นกับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอันเดียวมันไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นคนละโลกน หลอกแล้มันก็เมื่อไหร่มันจะได้อยู่สบายสินะทำไมชูนมนอย่างนี้ตลอดตลอดอนี่น้อง้อก็วิโตได้ชั่วคู่คู่เดียวยามเดียวทอนนั้นนะพอหยุดี่วิตตพั้มัก็พุ่งอย่านี้แหละนัะ่งมันเป็นเองหนระือเนั้น่ะพุ่งพุ่ ง, ง, ง, งมันเหมือนหมุนติ้วอย่านีจนกรทั่งมันไปสุดหลิ์มันวามันไสุดฤลธิ์มันจริงๆเนไม่บอกมันก็หยุดเองไง สุดฤทธิ์มันมันก็ก็คืออันนี้มันก็เป็นหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงเหมือนกันพอสุดฤทธิ์แล้วมันก็มันก็อยู่เป็นเองไม่ต้องบางคั้ให้ให้อยู่สิบางคั้ให้อยู่อันเรื่องสศรษบัญญัประเทศมันมันหยุดเองเนี่ยก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งอันหนึ่งนี่จึงว่าหลักความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เที่ว่าพิจารณาตามความจริงมันเป็นอย่างนี้ออืความจําความท้าสมัยเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นความจำความจริงจริงไม่เหมือนกันต่างกันมากเหมือนเราได้ยินเพราะว่านั้นเป็นนั้นนั่เป็นนั้นอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเป็นความจํำเวลาไปดูแล้วไปไปเห็นความจริงไปเห็นธรรมชาตินั้นตามความจริงไปยินสิ่งนั้นตามความจริงแล้วมันจะมันไม่เหมือนกันนะอย่างนี้อย่ะที่ว่าความจำความจริงไม่เหมือนกัน